เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วเป็นธรรมอันภูปฏิบัติผูดได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบในการเวลาเป็นธรรมอัน พึงเรียกให้มาดูได้จะอธิบายบทนี้ที่เราทั้งหลายสวดกันว่าเอหิป e ัสสิโกพึงเรียกให้มาดูได้ต่อไปได้แสดงแล้วว่าเรียกให้มาดูนั้นเรียกใครให้มาดูสำหรับภู ศึกษาปฏิบัติธรรมก็เฮิงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูให้มาดูธรรมหรือพระธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัดดีแล้วเพราะว่าธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัดดีแล้วนั้นก็ตรัดแสดงที่ตนเอง ของบุคคลทุกๆคนไม่ได้ทรงแสดงที่อื่นเพราะฉะนั้นหูฟังคำสั่งสอนของพระองค์จึงอาจนำธรรมะที่ทรงสั่งสอนเหมือนอย่างแว่นมาส่องดูเงาหน้าของตนเองคือมาดูตนเองได้ดังที่ ได้ยกพระพุทธภาสิทิที่ตรัสสอนพระราหุลให้ใช้แว่นพิจารณาตนเองคือปัญญานี้เองเหมือนอย่างแว่นส่องดูตนเอง พิจารณากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนเองอันหนึง่งยังได้ตรัสสอนพระราหุลในสมัยต่อมาอีกซึ่งจะได้หยิบยกมาแสดงในบางตอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุล ให้พิจารณากายนี้อันแยกออกเป็นธาตุคือพิจารณาแยกธาตุกายนี้ออกเป็นห้าคือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายุธาตุธาตุลมอากาศธาตุ ธาดคือช่องว่างพิจารณาโดยปัญญาอันชอบว่าธาตุทั้งปวงนี้มีใช่ของเราเราไม่ใช่ธาตุาทั้งปวงนี้ธาตุทั้งปวงนี้มีใช่อัตตาโตตนของเราคำสอน ของพระพุธทธเจ้าที่ตรัสสอนนี้แม้จะตรัสสอนแก่พระราหุลแต่ก็เป็นคำสอนที่ชื่อว่าสอนแก่บุคคลทั่วไปจึงพึงใช้เป็นเหมือนอย่างแว่นส่องส่องเข้ามาดูผ่าดทั้งปวงนี้ ที่กายนี้ของทุกๆคนให้เป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองนี่แหละมาดูดูธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่กายอันนี้และเมื่อเรียกตนเองให้มาดูด้วยใช้สติความกำหนดใชายยา้ญาณหรือปัญญา พิจรารณาตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะเห็นธาตุเหล่านี้ได้ที่ตนเองตามที่ทรงสั่งสอนส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำ ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาธาไฟส่วนที่วัดที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาธาลมส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศสธาธาอากาศเพราะฉะนั้นกายนี้จึงเป็นสักเดว่าเป็นธาตุที่มา ประชุมกันอยู่มารวมกันอยู่เป็นก้อนกายอันนี้จึงไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนตามที่มีสมมติบัญญัติว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราตามที่ยึดถือกันว่าดังนั้นความเป็นของเรา ความที่เราเป็นธาตุเหล่านี้หรือธาตุเหล่านี้เป็นอัตราตัวตนของเรานั้นเป็นอุปาทานคือความยึดถือความเป็นของเราความที่เราเป็นธาตุเหล่านี้หรือธาตุเหล่านี้เป็นอัตราตัวตนของเรานั้น เป็นอุปาทานคือความยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและเป็นสมมติบัญญัติสำหรับเรียกร้องกันแต่ความจริงนั้นเป็นสักเทวทาตมาประชุมกันอยู่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็ไม่ใช่เป็นนั่นนั่นก็ไม่ใช่เป็นอัตราตัวตนของเรา เมื่อเรียกตนเองให้เขามาดูโดยใช้วั้นส่องคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้มาส่องดูดูด้วยสติดูด้วยปัญญาที่ตนเองก็ย่อมจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกประการอันหนึ่ง ยังได้ตรัสสอนพระราหุลไว้ต่อไปอีกว่าให้ทำภาวนาคืออบรมใจเสมอกับปัทวีคือดินเมื่ออบรมใจให้เสมอกับปัทวีคือดินได้ พัทะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจทั้งหลายทั้งที่น่ายินดีทั้งที่ไม่น่ายินดีซึ่งมังเกิดขึ้นก็จักไม่ครอบงำจิตได้คนทั้งหลายยอมทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ทิ้งขูดบังทิ้งมูดบังทิ้งก่อนเขละบังทิ้งน้ำหนองน้ำเหลืองบังน้ำเลือดบังลงเป็นลงบนแผ่นดินแผ่นดินย่อมไม่จะอิยดะเอียน ไม่รังเกียจไม่อึดอัดรับของที่คนทิ้งลงไปทั้งที่สะอาดทั้งที่ไม่สะอาดดังกล่าวได้ทั้งนั้นฉันใดเมื่อทำภาวนาอบรมใจให้เสมอกับแผ่นดินได้ก็ฉันนั้น พัทธะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจทั้งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่ครอบงำใจได้ฉะนั้นอันหนึ่งพึงอบรมพึงทำภาวนาอบรมใจ ให้เสมอกับอาโปคือน้ําเช่นเดียวกันให้เสมอกับเตโชคือไฟเช่นเดียวกันให้เสมอกับวายโยคือลมเช่นเดียวกันให้เสมอกับอากาศคือช่องว่างเช่นเดียวกันภัตตาทั้งหลาย คืออารมณ์ที่มากระทบใจทั้งหลายทั้งที่น่ายินดีทั้งที่ไม่น่ายินดีที่บังเกิดขึ้นย่อมไม่ครอบงำใจได้คนทั้งหลายทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดังกล่าวลงในน้ำลงในไฟ น้ำก็ไม่อึดอัดไม่รังเกียด ร, รับได้ทางนั้นไฟก็ไม่อึดอัดไม่รังเกียดไม่ได้ทางนั้นแม้ทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดังกล่าวในลมลมก็พัดไปได้ทางนั้น ไม่รังเกตไม่อึดอัดและแม้เมื่อโยนของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไปในอากาศก็ไม่มีที่จะตั้งอยู่ในอากาศได้อากาศก็คงเป็นช่องว่างอยู่นั่นแหละฉันใดเมื่อทำภาวนาอบรมใจให้เสมอกับอาโปคือน้ำ เตโชคือไฟไวาโโยคือลมอากาศคือช่องว่างก็ฉันนั้นเช่นเดียวกันภัฏฐะทั้งหลายคืออารมณ์ที่มากระทบใจมาสัมผัสกับใจทั้งหลายทั้งที่น่าชอบใจทั้งที่ไม่น่าชอบใจก็ตั้งครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้น เมื่อผูปฏิบัติธรรมเรียกตนเองว่าจงมาดูโดยใชย้แว่นสองคือคำสอนของพระพุทธเจา้านี้มาส่งดูที่ตนใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกว่าธทรรมภาวนาอบรมใจนี้ ให้เสมอด้วยถาดทางห้าดังกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนื่อคนทั้งหลายทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปถาดทางห้าทางโปวงเหล่านี้ก็ไม่อึดอัดไม่เดือดร้อนไม่ระอาไม่ลำคาญดินก็รับได้น้ำก็รับได้ ลมก็พัดไปได้ไฟก็ไหม้ได้ลมก็พัดได้อากาศเล่าก็ไม่มีที่จะรับติดเอาไว้ในอากาศคงต้องร่วงหล่นลงหมดก็ไม่เอิดกัดไม่รําคาญคงเป็นอากาศคือช่องวางอยู่นั่นแหละทำภาวนาคืออบรมใจให้เป็นเสมอด้วยธาตุดังห้าดังกล่าวนี้เมื่อเวลาที่ มีอารมณ์เข้ามากระทบมาสัมผัสใจก็ยอมจะสงบใจได้ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะน่ายินดีหรือไม่น่าจินดีคือถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีก็จะไม่ทำใจให้กำเริบฟุ้งซ่านขึ้นด้วยอำนาจความยินดี เมื่อเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีก็ไม่ทำใจให้พบแวบเสียใจหรือโกรธแค้นมาให้เกิดความยินดีความยินไรรักษาจิตนี้ให้เป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเเข้าไปเพ่งเฉยสงบอยู่ได้มาสิ่งทั้งปวงที่มากระทบใจ เมื่อสัมผัสใจไม่ว่าจะน่ายินดีไม่ว่าจะไม่น่ายินดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายไม่ควรที่จะยึดถือมาก่อให้เกิดความยินดีความยินร้ายขึ้นเหมือนอย่างของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างตกลงไปในดินก็ไม่ทําให้ดินเดือดร้อนอะไร ก็ย่อยละลายกลายเป็นดินไปในที่สุดตกลงไปในน้ําน้ําก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ไหลละลายไปในน้ําหมดใส่เข้าไปในไฟไฟก็ไม่เดือดร้อนอะไรไฟก็ไหม้หมดหรือว่าโยนไปที่ลม้มหรือว่าลมพัดมาลมก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็พัดไปได้ทั้งหมด หรือจะโยนขึ้นไปในอากาศก็ไม่มีที่จะติดขัดอยู่ในอากาศก็ตกลงมาหมดอากาศก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นจิตใจก็เหมือนกันให้ทำใจให้ได้เหมือนอย่างดินอย่างน้ำอย่างไฟอย่างลมอย่างอากาศยกตัวอย่างอากาศขึ้นมาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งหัวใจนี่ เมื่อไม่ยึดก็เหมือนอากาศแต่ถ้ายึดก็ไม่เหมือนอากาศคือเมื่อไม่ยึดอารมณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาก็สักแต่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือตกไปหมดไม่มีที่จะเก็บเข้ามาปรุง ให้เกิดเป็นความยินดีความยินไร้ความหลงติดนอนจมเป็นอาสวะอนุสัยอยู่ในจิตก็เพราะเหตุที่มีความยึดถือยึงได้เกิดความยินดีความยินไรแต่ถ้าทำจิตให้เหมือนอย่างอากาศแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดอะไร อะไรผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับไปซึงความจริงนั้นทุกอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปอยู่ทุกขณะแต่เพราะไปยึดเอาไว้คือไปยึดเอาสิ่งที่ดับแล้วนั่นแหละมาไว้เหมือนอย่างไม่ดับ คลิกสายก็ไปยึดเงาเอาว่าเป็นตัวตนจึงได้เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายพร้อมทั้งหลงมงมงายติดอยู่พร้อมทังความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติให้เป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดู ให้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแว่นส่องดูที่ตนเองและก็ปฏิบัติทำกิตรภาวนาให้เสมอกับทานทั้งห้าดังที่กล่าวมานั้นก็จะทำให้รักษาจิตนี้ให้เป็นอุมเบคขาอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายได้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะตรัสสอน พระราหุลต่อไปอีกว่าให้เจริญเมตตาก็จะดับโทสะพยาบาทได้จะละโทสะพยาบาทได้ให้เจริญกรุณาก็จะละจะดับไม่หิงสาความคิดเบียดเบียนได้ให้เจริญมุทิตาก็จะละจะดับ อาติความไม่ยินดีด้วยคือความริษยาได้ให้เจริญอุเบกขาก็จะดับปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งได้ให้เจริญอสุภาสัญญาวากหนดหมายกายนี้ว่าไม่งาม ก็จะดับราคะคือความติดใจยินดีได้ให้เจริญอนิจจสัญญาความสำคัญหมายขันห้าย่อลงเป็นนามรูปหรือรวมว่าสังขารทั้งหมดว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงก็จะดับอัตตมิมาณนะ ความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นได้ดังนี้เพราะฉะนั้นภูปฏิบัติธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมให้เป็นเอหิปัติโกอีกเช่นเดียวกันเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูอาศัยแว่นที่ราพุทธเจ้าทรงสอนนี้มาส่องดูแล้วก็ปฏิบัติอบรมเมตตา กุณามุติตาอุเบกขาอรุปะสัญญาอันนีสัญญาให้มันเกิดขึ้นก็จะดับกิเลสทั้งปวงนังที่ตัดไว้นั้นได้จะดับโทสะพยาบาทได้ระดับวิหิงสาความคิดเบียดเบียนได้จะดับอรติ ความไม่ยินดีด้วยคือความริษยาได้จะดับปฏิฆะความกระทบระทั่งใจได้จะดับราคะความติดใจ ย, ยินดีได้ตลอดถึงจะดับอัศมิบานณะความสําคัญหมายว่าเรามีเราเป็นต่างๆได้ดังนี้ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งปวงนั้นล้วนเป็นแว่นส่อง สำหรับทุกๆคนจะได้ส่องดูตนเองทางนั้นแต่จะต้องเรียกตนให้มาดูโดยใช้วั้นทีพระพุทธเจ้าตรัสสอนนี้ส่องดูก็ะไม่อาศัยแว่นของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ตนเองก็ไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้ที่จะดูได้ที่จะเห็นได้เหมือนอย่างที่ ไม่สามารถจะเห็นหน้าของตัวเองได้ตาของตัวเองนั้นได้ไปดูไปข้างนอกจะจะดูหน้าของตัวเองนั้นไม่ได้จิตใจที่มีกิเลสอยู่โดยมากก็เข็นนั้นมุ่งออกไปข้างนอกไปเพ่งข้างนอกแต่ว่ายากที่จะเพ่งเข้ามาข้างในดูข้างในได้ เพราะจะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตกลัดเอาไว้ว่าคนผานมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังส่วนบัณฑิตทั้งหลายมีการเพ่งตนเองหรือเพ่งโทษตนเองเป็นกําลังคนผานเพ่งผู้อื่นเป็นกําลังบัณฑิตเพ่งตนเองเป็นกําลังดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแว่นส่องแต่ก็ต้องเรียกตนเองให้จับแว่นส่องของพระพุทธเจ้านี้มาส่องดูตนจึงจะเห็นตนแล้วก็ปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและเมื่อปฏิบัติได้อย่างไรก็ย่อมจะ รู้ตนเห็นตนมาปฏิบัติได้อย่างไรตามเป็นจริงนี่ต้องอาศัยข้อนี้แหละเอหิปติโกจงเรียกให้มาดูคือเรียกตนเองให้มาดูให้มาปฏิบัติและเมื่อเลิกเมื่อเรียกตนเองให้มาดูให้ปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ ด้วยการที่แสดงธรรมะสั่งสอนอบรมกันต่อไปการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็เช่นเดียวกันต้องเป็นเอหิปติโกเรียกตนให้มาดูใช้ว่นส่องคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้มาส่องมาดู ตามที่ทรงสั่งสอนอาศัยสติปัญญาหรื อ, อยานของตอนนี่แหละพิจารณาก็จะปฏิบัติตั้งสติให้สติตั้งเป็นสติปทานได้ในข้อ น, นั้นๆต่อจากนี้ก็ต้อให้กอขอให้ตั้งใจฟังสดและตั้งใจทั้งความสงบสืบต่อไป